เี่ดังวุจจิตพิก เ, เวตุขานิโรธโพริยสัสสจัมโอ้โหไม่ไปยาน <c oughs> <c oughs> สวยไปล่อเนะยิ่งสวยก็ยิ่งเสียงฮุน่น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 เอธนิรุชฌมานิรุชฌเตมธรรมวิจารโโลเกปิยรูปัสตรูปเอเสาตันหาปัญยาานาปญเตมเอธนิรุชมานิรุชฌเตมดวุจติภิกขเวดุขนิโรโออริยสจจังเอามัยาวๆนย สรรมวิตกโคโลเกปิยะรูปังสาตารูปังไปทำเสียงให้เท่าเท่ากันมันก็เสียงสั้นๆหุ่นๆเท่ากันมันไม่ไพเร้อมันไม่กลมเกลืนมันไม่ไพเร้อมันไม่แซบ่บมันอยากบอ <c oughs> ไปดูคำแปล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 อินญาลหกก็คือใจสัมรวมมาที่ใจดวงเดียวโย ม, มัดทั้งหมดสัมรวมมาที่ใจสัมรวมอะไรเอาอะไรมาสัมรวมเอาสติมาสัมรวมเอาสติมาสังวรการสัมรวมการสรังวรนั่นน่ะมันเป็นการปฏิบัติ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 เจริญอีกอย่างหนึ่ง mm. มาทาความรู้จักกิริยาการของกายทาความรู้จักกิริยาการของใจเป็นเหตุให้เกิดปัญญานึ่งท่าเรียกว่าเจริญปัญญาหรือเจริญมิปัสนาเจริญมิปรสนาเอาอะไรไมาเจริญเอาสติสมัธาไม่มีสติสมัธยาเจริญไม่ได้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 แม้แต่พุทโธพุทโธพุทโธไม่ควบคุมก็ไม่อยู่ไม่มีสติพุทโธไม่อยู่ไม่อยู่แล้วจะสงบได้อ ย, อยังไงมันเอาจิตเราไปใช้แอร์ป้เอาจิตของเราไปใช้เอาไปใช้เ ร, เร่องอะไร น, นึกสนุกนึกเพลิดเพลินนึกอะไ ร, ไระะะต่ออะไรสารพัดนล้วแต่มนุษย์พันธ์ตัณหาความอยากความริ้นรนความทะยานทะยานอยากของใจให้ให้ให้พยายามหัดย้อนกลับไปดูตัณหาที่มันเกิดในใจของเรา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 ผิดโทไม่รู้จักไม่รู้เรืเราดูไปที่กิริยาของจิตเราจะรู้กิริยาเหล่านี้เราตั้งใจภาวนาถ้าเราไม่ทำความรู้จักกับมันเราไม่มีวิวชาการใดที่จะมาหักห้ามมันได้เยตัณหาหัวใจเราหักห้ามไม่ได้ไม่มีวิชาการใดอยางถึงวิยาศาสตร์เราก็ไม่สามารถจะอยางถึงได้วิยาศาสตร์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 หรือมอาจจะซ้ำๆกันเกิดตั้งตาเกิดตั้งๆาใ้เออกเห็นเห้ออกชอบโอ้ยินดีโอ้ยินร้เพลินไปเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาการที่เราต่อกอนกับมาเราจะต่อกอนตรงไหนเรามาตั้งสติกำหนดจดจอ่อพิจรารณาดูเวทนาเพราะเวทนาเป็นที่ประชุมรวมลงของธรรมะทั้งหลายทั้งปวกทั้งหกสิบช่องหกสิบรูนี่แหะ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 ความเป็นจริงเหล่านี้ทำให้เราใช้สติกำลังจดจอดูรู้สดส ด, สดร้อนร้อนี่แหละเราไม่จมาเป็นจะต้องไปรู้ด้วยยานาทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอย่างที่ท่านทัานใจบงเพ็ญจนสิ่งแหล่านั้นเกิดขึ้นมีขึ้นเริ่มรู้เริ่มเห็นอย่างนี้แหละจนกว่ามันจะช่ำชองจะมิดชำนาน เห็นข้อเท็จจริงแจ่มแจ้งชัดเจนปรงใจเชื่อเต็มร้อยอยาณะศาสนาโอ้นี่เหี้ให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์จริงเรามีคนมาดาปับเราปล่อยให้อัตตาตัวตนโพล่ขึ้นมาปัอหัวมนุษย์นึกดาตอบนึกโกรธตอบนึกพยาบาทตอบจะแก้แค้นยังั้นจะแก้แค้นมีหน้าคือเรา เราปล่อยมันมันมันเป็นถ้าเราไม่ปล่อยให้เป็นเราได้ยินกระสักได้ได้ยินไอหมูไอ้มาเราไม่ใช่หมูเราไม่ใช่หมเ า, ม เ, หหมาเราเป็นคนเราได้ยินทำความ ร, รู้จักตามตลอดถ้าเราไม่ไม่ทำความ ร, รู้จักตามตลอดมันก็ยึดค้ว่าอัตตามันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้ายิงทามั่ ทมทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอนัตตาที่เป็นอัตตาขึ้นมาเพราะว่าเราไปยึดมันกิริ ย, ยาารทุกอย่างที่อยู่รอบข้าตัวเรามันเป็นคุณเป็นโทษโดยหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าเรายึดขึ้นมาปั๊บคุณก็เห็นคุณชัดเจนโทษก็เห็นโทษชัดเจนอัตตาตัวตนมันก็หลกขึ้นมาความยึดความตือ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 เป็นเหตุเป็นปัจจัยหล değil, ่อเลี้ยงโตขึ้นมาโตขึ้นมาเป็นโรงงานโรงหนึ่งไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่บท ย, ย่อยขยี้เหตุปัจจัยเก่าก็เสื่อมไ ป, ไปเหตุปัใจจัยใหม่เราก็ใส่เข้าไปของใหม่ใส่เข้าไปกลายเป็นของเก่าเหตุปัจจัยเก่าก็ out, ร่วงไปยก ต, ตัวอย่างเช่นอย่างข้าวปลาอาหารที่เราใส่เข้าไป่นี่คือเหตุปัใจจัยใหม่ใส่เข้าไป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 ผัวเรามีเราของของเรายึดแล้วตนีพอยึดแล้วมันก็อยากให้อยู่เท่าเดิมอยากให้นิดจใจอยากให้สุขขันเพื่ออะไรเพื่อจะเหนี่ยวรั้งสิ่งที่ชอบใจพอใจที่สุดให้อยู่ให้สงใจให้สงปแต่จไปเหนี่ยวอะไรได้ไปย่างอะไรได้ร่างกายของเราแค่เราบังคับให้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 แต่วร่างกายเรามาศึกษาเรื่องจริงศึกษาของจริงมันได้หลักได้ฐานได้เหตุได้ผลไม่ชัวรให้เราหลงเราไม่มาตรงนี้เราหลงมากนั่งภาวนาคิดวัจจิสงบนส่งเดชเป็นโนส่งเดชเป็นนี้กลายเป็นริษเป็นเดชเป็นอภิญญายึดสุรพัทธพันหลงเราเราก็พงไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเราทิ้งหนักตรงนี้มันจะไปอย่างนั้นนะ